เราภาวนาเรายืนภาวนาดูว่ารู้สึกว่าสถานการณ์ไม่ค่อยสุบายสงสัยอะ า, ารจะเป็นเห็นเดี๋ยวนั่งไปแล้ว จะรอเขาไม่ยอกเพราะฉะนั้นรไม่จะรอรอนะระรอครับน้ออาจาร์กูช่วยกูชยกูช่วยกนะูช่วยกยกูชวยกูวยกวยกูช่วยกวยกูวยกู่รูชว่วยก่วย่วยกวยกูวยกูช่วยกูช่วยบูกกูชยกูช่วยกูช่วยกวยกู แล้วก็ปริมาณในภาพที่เรียงว่าขอไภัยไม่กันทบกันนะยี่สิกตัวโง่โง่เๆเงยนะยังไรก็ได้ไม่สบายอืม ต้องมีสติด้วยนะอย่าปล่อยจิะอ้าไม่เทาหรอขอใปล่อยอยู่นะเป็นอะไรทีเนียวังทีบางทีมัหายค่าระายเรื่องนีอาจากนั้นก็ รู clients, nice. al, kita, ana, ้ว่าเราเินอยู่ใช้จิตของเราเอาความรู้สึกของเราใช้ใจใช้จิตอะไม่ใช่ใช้ตามองแต่ว่าใช้จิตมองรูล่างกายรู้สึกว่ามันยืนอยู่ยังไงเฉลี่ตาเรืออยู่ตาไม่ร้แต่ว่าใช้จิตของเรามองตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้า กวามรู้สึกก็งเรานี่มันมันเครื่องดังเนี่ยมาองฟักันงตนดมร่องเกี่ยวับเครื่องนี่ไงจับจอางเนี้ยออกมชัวร์นะต้องระวังบางีเครื่องเนี่ย มันก็เลยแรงโคตรมายืนรู้สึกว่ายืนนะยืนใช้ความรู้สึกใช้กำลังของจิตเราพยายามมองเอาจิตมาสัมผัสดูก็ได้เดียวสัมผัสดูให้รู้สึกได้ว่ามันยืนอยู่ย่างยืนอย่างมั่นคง แล้วก็ใช้จิตเนี่ยสำรวนตั้งแต่สีสันแล้วค่อยๆมองลงไปเอจิตเนี่ยสำรวจดูสัมผัสดูรู้สึกตรวจสอบดูความรู้สึกในร่างกายของเรามองลงไปเรื่อยททำสบายๆนะแต่ถ้าหากว่าเรายังมองลงไปไม่ได้ก็ใช้ความพยายามนิดนึง ใช้ความพยายามความพยายามของจิตนี่แหละสิ่งเขาเรียกว่าความเพียรหรือวิริยะวิริยะนี่หมายถึงกำลังของจิตเราความพยายามในจิตความเพียรในจิตไม่ใช่เพียรในท่าทางแล้วนะเป็นความพยายามของจิตที่จะให้จิตเนี่ยมันไปรู้สึกได้ว่าร่างกายเนี่ยมันยืนอยู่ยังไงส่วนไหนมันเป็นยังไงบริเวณไหนเป็นยังไง เอาจิตตัวสอบดูจะสีสษบลงไปถึงเท้าเท้าขึ้นมาอันนี้จะเรียกว่ากายางวุปัสนาสติปฐานก็ได้เพราะฉะนั้นกรรมฐานอะไรก็ตามมันก็มาลงที่สติปัสสีนี้เราไม่ต้องไปสนใจรูปแบบแต่ตอนนี้เรากาลางสนใจจะสร้างกำลังของจิตเรา เพื่อให้ความรู้สึกภายในจิตของเราเนี่ยมันมีกําลังขึ้นถ้าหากว่าจิตมันมีกําลังหรือสติมันมีกําลังสัมผัชัญนยอมันมีกําลังสมาธิมันก็จะมีกําลังมันจะดีความง่วงความซึมมันจะหายไป เมื่อสำรวจรูเรียบร้อยแล้วทีนี้กรรมฐานไหนล่ะที่มันพอดีกับเราเราจะทํายังไงที่มันพอดีกับเราเราก็ตดูตาบางคนอาจจะดูลงเขา้าลงบอกบางคนอาจจะรู้สึกว่ายืนอยู่หรือบางคนก็อาจจะดูตรงที่ว่ามันเริ่ ม, มเริ่มมีเวทนาขึ้นมาแล้วมันเริ่มมีอาการอะไรขึ้นมาแล้วส่วนเท้าบ้างข้อเท้าบ้างหัวเข่าบ้างหรือสะโพกบ้าง ตรงไหนที่มันพอดีกับจิตของเราเราดูไปได้ คอสังเกตท่าทางท่ า, ายืนของเราไปด้วยสังเกตร่างกายของเราไปด้วยนี่เล ว, วสติเนี่ยมันทางานมากขึ้นแต่บางคนก็จะรู้สึกเหมือนกับ ว, ว่าความสงบเนี่ยมันลดลงไปอันนี้ไม่เป็นไรเพราะว่าเรากําลัง ส, สงร้างสติกําลังเจริญสติเพราะว่าในชีวิตประจาวันของเราเนี่ยมันก็จะอยู่ในท่านั่งอย่าง มันก็ต้องมียืนบ้างมีเดินบ้างมีนั่งมีนอนบางครั้งบางคราวมันสถานที่มันไม่เรอ่อรนวยหรือว่าท่าทางของเราเมันจะอยู่ในทาน่ทานั่งทาง่านอนอะไรไม่ได้แต่ว่ามันเหมาะสมกับท่ายืนเราก็อาศัยท่ายืนนี่แหละเจริญสติปฏิบัติตามคำสอนของเราพุทธเจา้า เนื่องจาว่าทายืนเนี่ยมันต้องใช้ความเขียนมากวิริยะมันมากสติมันก็มากแต่สมาธิมันอาจจะลดลงมาแต่ว่ามันสามารถขจัดความง่วงเราสูงส่าได้ดีสามารถทำให้จิตของเราตึกได้และก็ไม่ใช่ว่าเราจะยืนกระวานไปเราก็ายืนในท่ายืนเพื่อปรับอินรีย์ของเรา เวลาไหนที่อินซีของเรานั้นมันมันคือคือมันง่วงมันซึมเนี่ยตอนนั้นเราก็ต้องปรับอินรีนะคือถ้านั่งมันไม่ดีแน่ๆมันมันมันจะง่วงจะซึมนะเราใช้ท่ายืนก็ดีกว่าบางทีถ้ายืนเนี่ยนะเรายังรู้สึกว่ามันมันมันยังมีความซึมๆเราสอยเท้าอยู่กับที่ก็ได้เคลื่อนไหว มือ้เราก็ได้หรือว่าบิดเนื้อบิดตัวบิดคอโค้งงอเงยคอเราหมุนไปหมุนมาเนี่ยสูดลมหายใจเนี่ันมอเรามือขวากันมือซ้ายมือซ้ายกันมือขวาคล้ายๆใช้ที่ออกกําลังกายด้วยกันเอามือซ้ายต่อต้านมือขวามือขวาต่อตานมือซ้ายค่อยๆดึงไปดึงมานียยืดเสร็จยืซ้ายตรงนั้นตรงนี้ แต่ทาด้วยความมีสติหรือเราจะตั้งใจเอาไว้ว่าเนทุกอย่างที่เราทำนี้เราจะถาวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาก็ได้เราก็จะได้ระวังขึ้นเราจะได้รู้สึกเหมือนกับว่าเออขณะนี้ก็ยังอยู่ในช่วงเวลาที่เรากาลังจะปฏิบัติบูชา ไม่ใช่เวลาที่เราจะปล่อยจิตปล่ยอยใจปล่อยเรื่อปล่อยตัวอะไรเลยถึงแก่จึงในเย่หมดอะไรก็ตามแต่ว่าเราก็ยังโขงสัมมวเราก็คงยังอยู่ในท่าทางของผู้ปฏิบัติธรรมนี่แหละจึงเรียกว่าเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าไม่ต้องมาจำกัดว่าต้องนั่งสามาธิ ยีนก็ได้เดินก็ได้นั่งนอนก็ได้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมขึ้นอยู่กับความพอดี อีก4นาทีเพราะตั้งไว้ส5นาทีนะเดี๋จะบอว่าเมาื่อไรจะนั่งเนาะเมื่อนม่สบายทุกท่หลับบ้างก็ไม่เป็นไรสบายะะบาเอ า, <c oughs> ายืด <c oughs> เส้นยืดสายเต็มที่ก่อนที่เราจะนั่งอีก3นาทีาทำยังไงก็ได้ไลมคอยเรี้ยงร่างกายเราเป็นที่สุดลมเข้าไ ป, าไปที่ยืดเลยนะ จเองตัวไฟกบลงแต่ว่าสูลงอาจะเขาไปนิดนึ่งมันก็ยกมายกมือิ้งจับนิ้วอะไรว่าไปให้ลมที่เข้าไปหลอดเี้ยงหลอากาศเป็นที่ออกซิเจนใ้ออกซิเจนเนี่ยไปเลี้ยงสมองเต็มที่ ไดมว่าการปฏิบัปฏิบัติที่ไหนที่ปู่ปฏิบัติที่ไหนวันนสเรียบร้อยแล้วเนี่ยตามปกิรยเาเดิมยังไม่ดังอีกเปลี่ยนาก็เปลี่ยนแล้วดังยังไม่ดังดังดังเริ่มดังยวนี้นี่พอะไรยมันจะเนี่ยอาจจะีจะอะไรด้วย อลองดูตรตรงตรที่มันเข้าไปก่อนวอลลุ่มตัวเล็กนะตัวเล็กลองเพิ่มวอลุตัวเล็กให้เสียงเข้าไปเยอะขึ้นแล้วจากนั้นก็มาที่วอลลุ่มตัวใหญ่นั่นตั ว, นะตวแอมพลิฟายน่ะัะไรเงียมันขยายออกลำโพงสุดโตแล้วไม่ดังเ ด, งดงอันนี้ไม่ดังยังไม่ดังอยู่นี่นี่จอนะผู้บรการได้ไห ม, มเสื่องก็โตรธ ก็ไม่ได้ทำ มันไม่เทีย่ยงมันก็เป็นไปาตามเรื่องของ ม, นะมันภาษากิจได้ไหมอะไรำำทำนองนี้นะเพราะนั่นนาทีเราคุณสัชอะไรเกิดขึ้นกับตาเมื่อจิตของเรามาต่อไปคราวนี้เราเอาจิตเรากลับเข้ามาเหมือนกับดึงกิจกลับเข้ามามีอะไรเกิดขึ้นปั๊บกิตเราจะออกไปรับรู้ถ้ามันออกไป ตอนนั้นเราขาสติจิตเราจะไหลออกไปทันทีเลยตามเรื่องราวไปเรืเ่อยๆเรื่อยๆไม่กลับมานี่นี่เห็นไหมจิตมันออกไปอย่างนี้นะธรรมชาติของจิตมีอะไรเกิดขึ้นปับ๊บมันต้ออกรู้มันต้องรู้อารมณ์ก่อนแล้วมันมีมันจะน้อมไปสู่อารมณ์มันจะไปหาอารมณ์เกาะเกี่ยวอยู่เรื่อยทีนี้เมื่อมีอารมณ์เกิดขึ้นจิตพักออกเป็นรู้แล้ว มันออกไปดูแลมันก็ตา ม, มาไปตามไปตามไปไปเจอโลงใหม่มก็ไปใหม่ไปเรื่อยๆจิตไม่กลับเข้ามาหาตัวเองแต่คราวนี้เรามีวิชาของรพระพุทธเจ้าเราฝึกเอาจิตเรากลับเข้ามากลับเข้ามาอยู่กับตัวเราตอนนี้เรากำลงังฝึกฝึกฝึกให้จิตอยู่กับตัวเองให้เร็วนานขึ้นเรื่อยๆให้นาน ให้มั่นคงให้หนักแนะ่นให้อยู่ตรงนี้แล้วเราก็จะเมือ่อมื่อเมื่อมันทำท่าทำทางจะหายไปจะออกไปถ้าสติเราดีเราต้องเห็นมันเห็นมันเราก็จะรู้ขึ้นมาความรู้เราจะเพิ่มขึ้นโดยตัวมีเป็นเพรจิตของเราเป็นไงมนะันเรื่องเรื่องเดิมๆถ้าสติดีนะทันนะถ้าสติไม่ดีมันหลุดไปแล้วรู้เสร็จตัวทีเดียงอ๋อไปเดิมหลุดแล้ว ไปเรื่องแฟนแล้วไปเรื่องลูกนี้แล้วเจ้านี่แล้วไปเรื่องเจ้านายแล้วไปเรื่องลูกน้องแล้วไปเรื่องสินค้าแล้วไปเรื่องไม่รู้ละผมมันมกเกี่ยวข้องอะไรมไม่เกี่ไปนะครับหนุ่มไปปั๊บรู้สึกตัวกลับมาหมา่นี่คือฝึกให้จิตมันกลับคืนมาเป็นตัเองตลอดเพราะธรรมาชาติของจิตมันเร็วมันจะเพศอะไรตออไปมันจะสะสาย ถาเราฝึกตรงนี้ใ้ช่านานสติเราดีขึ้นมาเรื่อยๆเราจะทําจิตเราเลยถ้าหาว่าเราสังเกตุนนจิตเราก็จิตมันทำภาพจะขยันจะไปสนใจเราจะเห็นมันที่เห็นนี่ไม่ได้ไหมายความว่าจิตมันช้านะมันเหมือนสโล w โ motion น, นะแต่ว่าจิตยังเท่าเดิมเพียงแต่ว่าผู้ดูผู้รู้ผู้เห็นจิตเนี่ยมันมีพลังขึ้นมันมีกําลังขึ้น มันมีศักยภาพมากขึ้นเรากําลังมาฝึกศักยภาพของจิตเราให้ภาพรู้ของเราให้ผู้รู้ของเราให้จิตของเรานั่นแหละตัวรู้ ก, ก็คจิตนั่นแหละมันมีคุณสมบัติที่ดีคุณสมบัติที่เข้มแข็งคุณสมบัติที่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างอยางรวดเร็ให้ทันกับจิตที่เร็วนะัะฝึกจิตให้มีกําลัง เพื่อให้รู้เท่าทันตัวจิตเองเหมือนเราอยากยกของสักชิ้นถ้าร่างกายเราไม่แข็งแรงเราก็มาพิชร่างกายเรามาบริหารร่างกายเราให้มันแข็งแรงจนแข็งแรงพอที่จะยกของนั้นได้เราก็ม้อนฝูงจิตเราให้มีกําลั ง, งนะรแต่ตัวกําลังของจิตคือตัวสติ มันไม่เหมือนกับทางร่างกายกาลังของจิตเราอยากให้จิตมีกําลังเราต้องฝึกสติแล้วก็ให้ทารู้เท่าพันจิตถ้ารู้ไม่เท่าพันจิตจิตมันออกไปข้างนอกมันคิดออกไปข้างนอกนี่แหละทาให้จิตมีสูญเสียพลังงานมากคนเราอย่างนี้นะสูญเสียพลังงานมากเพราะว่าจิตมันฟุง้งซ่านจิตมันไปคิดแต่เรื่องข้างนอก จิตไม่กลับเข้ามาหาตัวเราเองไม่กลับเข้ามาพักอยู่ข้างในนี้ <c oughs> เหมือนกับว่าเรามีน้ำน้ำเขาใหญ่ๆเน่ยนะเราอยู่ในที่ ส, งสูงๆนะถ้าเราสาดน้ำน้ำก็จะบ่าไปทั่วเขาเลยนะไม่มีกำลังอะไรเลยทำอะไรไม่ได้เลยมันก็นหลทิ้งไปแต่คราวนี้เรากลับน้ำาาวั เสร็จแล้วก็เราถ้าเราต้องการจะเอาน้ำไปใช้เราก็ตอกขอปล่อยให้มันไหลออกไปช่องทางเดียวในเมื่อมันมีเรากับน้าไว้น้ำจะมีแรงดันน้ำจะมีกำลังแรงดันของน้ำเนี่ยมันสามารถไหลลงไปช่องทางเดียวแล้วมันเอาไปใช้กระโยชน้มากคราวนี้เราใช้สติกุรลอ ก, กั้นจิตไว้กั้นเอาจิตลอย มันจําเป็นต้องไล่ออกไปไมันจะเป็นต้องบาดไปที่อืุ่งสร้างเลื่อนลอยไปให้มาอยู่กับตัวเรานี่ทำหลุไปแล้วเราก็ต้องกลับมานี่เรียกว่าเป็นศาสต ร, ร์ของพระจ้พุทธศาสต ร, ร์เลยนะแล้วเราก็มาสังเกตอันนี้มีแนว่าความต้นแนนวขั้นที่จะทําให้บ่อยทําให้เป็นนิสัย ไมว่าจอยู่ในข่ายยืนเดินนั่งนอนก็ตามเราจะควบคุมจิตเราให้อยู่กับตัวเราจะบริกรรมกระดาษดูนกเข้าลงออกกระดาษลกเข้าพุ่งลงออกโตกระดาษค้องน้อยยึดนอกระด้มันก็คืออันเดียวกันหลักการเดียวกันรูปแบบต่างกันขึ้นอยู่กับว่าความเหมาะสมของแต่ละคนว่าพุทฐานหรือใจนิสัยหรือว่าเคยกระทํางอย่างมาอย่างไงมันจะรู้สึกว่าเราพอใจ เราก็ถามว่าเฮ้ยแล้วมันมันดูนหลายที่ได้มันเช่นดูที่จมูกบ้าลงมาขี่ท้อมบ้างดูดเพราะว่าเราต้องการแค่สติรัแลจิติปัญญ้เพราะว่าอะไรเกิดขึ้นถ้ามันเด่นชัดปั๊บจิตเรามันเร็วมันปั๊บไปทนันทีเลยนะปั๊บเราก็ต้องตามไปเนี่ยดูก่อนนั่นก็คือจิตของเราเนี่ยมันยังไม่ทํางมาันมันจะไปขอ เรานั้นมันไปแล้วเราก็ต้องพยายามให้รู้เท้าถึงนี่คือความพยายามที่จะให้สติควบคุมจิตให้ได้เพื่อให้จิตเป็นสมาธิเพราะฉะนั้นตอนแรกนี้สติที่จะมีความสํางขัญมาเป็นผู้จัด ก, การเป็นผู้ จ, จัดแจงทุกอย่างพระพุทธเจ้าจึงเปรียบเทียบว่าสติเป็นอธิบดีสตากิปัจเจีย สติเป็นเหมือนอธิบดีอธิบดีกรมนั้นอธิบดีกรมนี้คอยจัดการให้คนนั้นทําอย่างนั้นทําอย่างนี้บริหารจัดการในกรมนั้นให้เลยครับทีนี้ว่าสติมันมีกําลังมามาาันจับกุมจิตจิตนี้ก็จะมาอยู่กับตัวเราแล้วก็มาอยู่กับอารมณ์เดียวเป็นสมาธิขึ้นถ้าจิตเป็นสมาธิแล้วสมาธิมีนมีกําลังเพิ่มขึ้น ตัวสมาธิก็จะทำหน้าที่แทนสติละคือคือมันจะเป็นตัวที่เรียกว่าเป็นศูนย์กลางเป็นศูนย์รวมขอคุณสมบัติของจิตทั้งหมดเนี่ยจิตใจก็จะเริ่มสงบเนี่ยปัญญาก็เริ่มมีขึ้นมาเริ่มมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น สมาธิก็จะเป็นเหมือนประมุขเป็นศูนย์หวมศูนย์กลางเหมือนในหลงของเราเนี่ยเป็นประมุของประเทศเป็นที่ศูนย์หลวงของจิตใจแล้วทุกอย่างทีมันมารวมรวที่สมาธิสติก็จะเหมือนกระดูอยู่ที่เฉยๆแฝงๆอยู่ในนั้นล่ะก็มีสติมีสมาธิบางคนบอกเฮ้ยทำไมไม่เห็นจิตเลยที่ไม่เห็นจิตมันคือจิตคนไหลออกไปนอก เห็นแต่เรื่องราวเห็นแต่ความคิดเห็นแต่เรื่องคนนี้คนนี้เพราะว่าจิตเรายังไม่เป็นสมาธิถ้าสติสามารถควบคุมจิตให้จิตอยู่กับตัวเราได้เราจะรู้สึกว่าจิตเรานี่นั่งเห็นจิตแล้วนี่จิตนิ่จิตสงจิตอยเฉยๆหรือว่าจิตไปดูอะไรเราก็หลง นั่นคือจิตเป็นสมาธิทีนี้สมาธิเนี่ยบางคนก็มากบางคนก็น้อยบางคนก็เคยทําสมาธิไว้มากปั๊บเข้ามาแลยเหมือนคนลึกซึ้งเข้าไปข้างในยอย่างที่เมื่อวันก่อนอบอกว่าเออดูแล้นะมันมืนกระลมของเราเข้าไปลึกๆอยู่ข้างในนี่คือลมลึกละเอียดลมละเอียดจิตละเอียดเนี่ยมันก็ตามกันเข้าไปข้างในมันไปสัมผัสสัมผัสลมอยู่ข้างหน การเคลื่อนไหวของลมมันจะแผ่วมันจะเบาขนาดไหนสติของเรามีกำลังพอมันก็ทาให้จิตเนี่ยรู้สึกขึ้นมาได้มันรู้สึกถึงลมที่ละเอียดเนี่ยจิตเราก็ละเอียดลงไปเรื่องเมซึงลงไปต่อไปรู้ไม่สนใจลมกูก็วางลมมันก็ไปดูความอินเบอร์เบอร์ว่าในจิตนี่มันเข้าไปหนทิต ตัวแวรกมันก็ไปดูความเปิดว่าความอินเบอของจิตนี่มันมันละเอียดเข้าไปข่างในไปดูจิตต่อมามันก็ละเอียดเข้าไปองกูก็เห็นความสุขสบายในจิตมันวาทุกอย่างแล้วมันก็อุเบกขานิ่งเฉยตั้งมั่นจะเรี็วมาต่อมาตินทุติยฌานกัตยฌานเจตุติฌานนี่คือพวกฌานทั้งหก็ยังเป็นสมาน ยังไม่ได้พูดถึงว่าเออจะเห็นอนิจจังทุกขังอนนะัตตาเห็นว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรายังพูดไม่ได้เพราะจิตยังไม่รู้แค่ให้จิตอยู่กับตัวเราแต่บางคนพอเริ่มอยู่กับตัวภพเนี่ยมันก็รู้ได้กลายเป็นรู้รู้ ร, รู้ไปด้วยกันพร้อมกันไปถ้ามีการฝึกให้รู้มันก็จะเริ่มถูกสติสัมปชัญญะเพิ่มขึ้น การที่จิตมันเป็นสมาธิแล้วเริ่มเห็นว่าเออจิตนิ่งจิตเฉยร่างกายเป็นยังไงพวกนี้เขาเรียกว่าสัมปชัญญะสติสัมปชัญญะคือมีความรู้มากขึ้นรู้ควรดูอะไรควรทํำยังไงพวกนี้ฝ่ายสัมปชัญญะคือฝ่ายปัญญาแต่เป็นปัญญาที่ปลอดเกิดพร้อมกับสติ คู่กับสติเขาจึงเรียกว่าสติสัมปชัญญะตัวสมาธิเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าจิตเราอย่างมันมีกำลังตรงคมึ้นมีความแข่งข้อง่องไวท้าสติมันดีสมาธิมันมันม่นคงจิตตั้งมั่นคือมนมาเรื่อยๆจิตก็จะเป็นกลางอะไรเกิดขึ้นกรร็รู้ถ้าจิตไม่มีกำลังจะรู้มัว ใครสมาธิยังบอ่ๆดูลมก็ไม่ค่อยชติอะไรเกิดขึ้นก็ไม่ค่อยชัดไพยาวเจากไปดูบางทีมันก็ยังไปไม่ได้ยังจาะอยู่ข้างในอารมณ์เดียวอยูม่มัแคบเพราะว่ากำลังของจิตยังไม่พ อ, อยังออกไปไม่ได้แล้วก็ฝึกไปเรื่อยศึกษาไปเรื่อยฝึกขยายกว้ า, วามรู้สึกอ่กไปดู กายว่าเวทนาบ้าจิตบ้างถามว่าแต่บางคนนี่นะมันเลยไม่มีนิสัยมันไม่เคยออกมันมีแต่จะมาจ่ออยู่ข้างในอยู่ข้างในอยู่ข้างในสงบอยเรื่อยต้องฝึกนั่งในานขึ้นหรือว่าฝุกเดินให้นานขึ้นเพื่อที่จะให้มันออกมาได้อาศัยเวทนาช่วยหรือฝึกใช้จิตเดินไปตามส่วนต่างๆของร่างกาย มีเริ่มขยายตัวขยายความรู้สึกออกมาถึงะฉะนั้นสมาธิเนี่ยจึงมีความสำคัญเพราะมันทาให้จิตมีกำลังอะไรเกิดขึ้นเนี่ยถ้าสมาธิมีกำลังมันจะเห็นชัดเจนคือสมาธิเนี่ยมันเป็นตัวที่ทำให้จิตใสจิตนิ่งไม่มีอารมณ์อื่นๆเข้ามาแทรกแทงกคือสอมบ สงบใสนิ่งแล้วก็มีกำลังเห็นอารณต์ต่างๆที่ผ่าขอราชัดเจนมีคืนตัวสมาธินาทีคืตัวสมาธิถ้าเห็นชัดเจนแล้วมันจะค่อยๆเรียนรู้ไอ้ตัวจิตเนี่ยมันเห็นมันเห็นสิ่งทั้งหลายเนี่ย เกิดขึ้นแล้วก็ผ่านไปผ่านมาผ่านไปเห็นแต่ละครั้งเนี่ยจิตเนี่ยมันก็จะเหมือนเมื่อเรามอง ด, มดูมองดูใครสักคนเดินผ่านไปผ่านมาที่หน้าบ้าที่แรกเดินผ่านไปรอบแรกเราไม่สนใจมันก็เป็นธรรมดาเหมือนกัคนเดินผ่านไปพอผ่านมาครั้งที่สองก็เหมือนกับว่าเราเข้าไปแล้วเขาจะกลับมาต่อมาอีกสามสี่ก็ยังไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่แต่ว่าเริ่มมองว่า ที่เขาคงมีศักยาไปบอกขึ้นนะต่อมาห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบกลับไปกลับมาอยู่หน้าบ้านเราเอ๊ะเขามีอะไรนะนี่มันมันก็จะต้งองสังเกตนะเอ๊ะขายเป็นใครมนจะนกไหนรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงถ้าว่าท่าทางของเขามีพิรุธสักหน่นนอยเราก็จะเริ่มบอกคนในบ้านระวังนี่ยเขมีคนแปลกหน้ามาแล้วก็โค้งเป็นหน้าบ้าน เดินกลับไปกลับมาในตำรายนอไอจิตของเราเป็นประตาข่าวข้อสังเกตเหมือนกันทลกนี้เกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับเอ๊ะผมก็ไม่มีอะไรเลยเนี่เนี่ยมันเกิดเองแล้วก็ดับเองผ่านไปแล้วก็ผ่านมาจิตก็เริ่มเริ่มที่จะไม่สนใจเริ่มไปเหมือนกันถ้าเรารู้ว่าเออคนนั้นเนี่ยเขามีธุราเขาก็มาเดินหรือว่าเขาน้าคับเพื่อนเอาไว้มารอยที่น้ำมากเราก็เลยกลับไปกลับมา มันก so so ็เลยวางใช่ไหมก็สนใจบางคนนั้นเขาเขามารงเพื่อนเขาวันนี้เขานั่นหมายหมายหน้าบ้านเราก็เดินกลับไปกลับมาเดี่ยก็ปล่อยวางก็วางเฉยมันก็ไม่ไปยุ่งเหมือนกับจิตเนี่ยถ้าหากมันรู้สึกได้ว่าเออคนนี้มันไม่ใช่ของเรามันอยู่ของมันคือจิตมันมันพอตั้งมันคือมันแล้วตั้งมันในที่นี้ไม่ว่าอะไรเกิดหรือจิตเนี่ยมันเป็นตัวของตัวเอ มันไม่ดิ้ตามมาลงไปอะมันอยู่เฉยๆแล้วคอยู่อยู่เฉยๆ ค, คอยสังเกตการ์มันคนอยู่ในบ้านมองคนที่มาเดินอยู่หน้าบ้านไม่ได้ไปทำอะไรไม่ได้เดินไปกับเขาไม่ได้ตามเขาไปแค่ดอยู่เฉยๆเนี้ยจิตที่มันตั้งมั่นที่มีสมาธิสมาธิที่มีระดับที่มันที่มันมีความตั้งมั่นและมั่นคงได้ ก็เลยมองปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่เราปฏิบัตินั้นก็มองอู่เฉยดูอยูเฉยดูอย่เฉยแล้วก็เข้าใจมามเาเเกิดแะไรกันผ่านมาผ่า น, าานาใจของเราทีมีเสียงปั้งจิตก็รับรู้กับรับรู้แล้วก็กลับคืนมาก็มันก็คือจิตมันก็ตั้งอสเกนตนะมันมีเสีย อเอาจิตวิ่งไปกลับมลแล้วก็ทําแล้วก็มองดองูดีมองดูมองดูไปเรปรากการณ์ต่างๆที่อยู่ในขณะทําสมาธินั้นแต่จำนตัวสมาธิเนี่ยมันทําให้ปรากฏการณ์ทลายการเคลื่อนไหวภายในของเราที่จริงถ้าหากว่าเราไม่มีสมาธิมันจะเคลื่อนไหวอย่างรวเร็ เราจะไม่เห็นมันเลยแต่เวลาที่จิตเรามีสมาธิเราสามารถเห็นปรากฏการณ์เหล่านั้นได้เหมือนกับว่าเป็นปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นอย่างเชื่องช้าหมือเป็นธรรมดาแต่จริงๆแล้วโอ้หถ้าธรรมดาไม่ถหแต่เวลาอยู่ในสมาธิกำลังจิตของเราเนี่ยมันมาก เหมือนกับคุณภาพจิตอ่ะมันสงูงขึ้นเหมือนเกลือไม้คู่เรามั น, ม, นมันมีคุณภาพมันหรือกล้องอย่างเงี้ยมันสามารถจับภาพไายละเอียดอ่ะกล้องทั่วไปจับไม่ได้แต่กล้องที่มีคุณภาพดีๆอ่ะสามารถจับรายละเอียดของภาพได้บางทีคุณสมบัติเครื่องบางเครื่องเนี่ยสามารถถ่ายติดแม่กระดงพวกมินิเป็นที่เลย เห็เป็นตัวเห็เป็นแสงเห็นเป็นสีเห็นเป็นอะไรอย่งนั้นได้ก็อวคืนมันนี่หรือว่าเหตุปัจจัยมันมามีพอที่จะถ่าสิ่งเหล่าเพราะนั้นเราก็กําลังจะสร้างคุณสมบัติให้จิตของเรามีกําลังเพียงพอที่จะรู้ความจริงคือการทํางานของขันห้าง เรื่องการทํางานของกายของจิตถ้าจิตเราเป็นสมาธิเนื่องจากว่าไอ้ร่างกายมันยากระบบของร่างกายจิตมันมองเห็นงายเพราะฉะนั้นบางทีเรามาสังเกตร่างกายบางทีมันจับได้ง่ายอย่างเมื่ก่อนนี้คนมาบอกหัวใจเต้นตุบตุแรงๆขึ้นมามีอานาจของสมาธิ มันก็อาจจะมีปฏิกิริยาของรังกายเกิดขึ้นวัชใจมันก็เนื่องจากว่าสมาธิมันทำให้ธาตุดินน้าลมไฟในตัวเรามันปรับมันปรับพอมันปรับแล้วระบบของร่างกายเราก็ปรบมันก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างพอมันเต้นแรงขึ้นก็ตกใจหรือบางทีมันก็เต้นถี่ขึ้น คล้ายๆกับเหมือนกับว่ามันมันเป็นอนิจจมันจะสอนเราให้เห็นว่านีนอนิจจนะไว้เที่ยงนะฉันไม่ใช่เธอนะอย่ามายึดฉันนะฉันเป็นของฉันนะไม่ใช่เธอนะให้เราได้สุกจิตเป็นเครื่องมือสุขจิตแต่คนที่ไม่เคยเป็นห่วงตัวเองมกลัวตัวเองเอ๊ะเราเป็นอะไรกลัวตายขึ้นมาก็เลิกถามหรือตกใจพอตกใจปั๊บจิตก็ ทราบเอกไปกว่าจะรวมตัวเข้ามาหมามันก็เลยใช้เวลามากแต่ถ้าใครเห็นมาเออเป็นธรรมดาดีนเอออันนี้เรื่องร่กายาไม่ใช่เรานี่ น, น, นมันเลีนได้เกิดปัญญาดนะีเกิดความรู้ความเข้าใจขึ้นมาแล้วเห็นจิ ต, จ, ตจิตตั้งข้อสังเกตขึ้นมาได้ว่าต้ อ, อ, องมีอ่อนกายมันเป็นประมาณเรื่องประมาณนี่เริ่มไหวหวาเริ่มรู้จักใช้สมาธิได้เกิดมาแสดงว่าคนนั้น เริ่มที่จะยกจิตขึ้นไปสู่วิปสัสสนาแต่ก่อนดูเฉยๆคุมจิตไว้เฉยๆอะไรเกิดขึ้นก็รู้อยู่เฉยแค่สังเกตการเป็นและเดเพราะว่าปัญญายัางไม่มีกำรับแต่ว่าเริ่มมีการตั้งคอสังเกตขึ้มนมาเรียกว่า ม, มีสติสัมปชัญญะแต่ถ้าปฏิบัติไปปฏิบัติไปเนี่ยตั้งคอสังเกตด้วยแล้วก็รู้ขึ้นมาว่าเออมันเป็นธรรมดา <Yeah. S 1> เป็นธรรมชาติ ร่างกายก็คร่างกายนั่นแหละแล้วมันเจ็บมันปวดมันมุนมันชายิ่งขงบางคนมีลมไปจําตัวมันก็เนื่องจะว่าจิตเป็นสมาธิจิตจะว่างเฉยมัไม่ดีไม่เห น, นื่จิตเป็นกลางกลางเมื่อมองดูโลกไครให้เจ็บถ้าธรรมดานะเราไม่ฝึกจิตเนี่ยมันจะกลัวตายกลัวเป็นมาก ภรรยามะโหวถ้าเร า, าะะตายไปแล้วเราจะไปไหนเราจะเป็นยังไงคนอคื่นจะคิดถึงเราไันจะคุ้นทราบไปเรื่อยแต่คราวนี้พมอจิตเราลงตัวเข้ามาจิตเราเลิกไม่ยินดีไม่ย้ายจากกับครามองโลกบริเวณที่มันเป็นโลกนั้นอ๋อเป็นเรื่องของมันเลยแล้วมันก็จะสะท้อ น, นมาถึงจิต ออจิตของเรานี่เคยกลัวนะเคยกังวลนะเคยหวั่นไหวนะเออนี่มันไม่รู้ดินาที่จริงโลกก็อยู่ที่ร่างกายมันไม่ได้อยู่ที่จิตสักหน่อยหนึ่งโลกมันเป็นโลกของร่างกายไม่ใช่โลกของจิตแล้วจิตจะไปกังวลําไม่นี่มันก็จะเริ่มจิตมันก็เริ่มเข้าใจมันก็จะปลตัวกลับขึ้นมากลับขึ้นมาเป็นตัวของตัวเองเป็นอิสระยิ่งสมาธิ ทำให้จิตตั้งมั่นคงเท่าไหร่ยิ่งมองดูปัญหาที่มันเกิดเกิดขึ้นเคยเกิดขึ้นกัชีวิตของเรามันจะแยกออกไปจากจิตเลยมันจะรู้รู้เลยว่าเป็นเพราะจิตของเราไปหวั่นไว้เองไปกลัวเองไปกังวลเองเพราะเรื่องเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะต้องเป็นเรื่องข้างนอกเป็นเหตุการณ์ข้างนอก แล้วมันจึงจะจิตไม่มีกําลังจิตก็จะเป็นเอาเรื่องข้างนอกนนั้มากุ้งตัวจิตเองมาทับถมจิตเองพอจิตรู้อย่างนี้จิตจะคลายออกจะปล่อยปล่อยให้เรื่องนั้นนเป็นไปตามธรรมชาติเป็นไปตามธรมรมดาแล้วจิตก็จะรู้มากขึ้นมาตราใดที่เรายังมีชีวิตอยูเราก็ต้องเกี่ยวข้องกับคนแน่นอนคนนั้นบ้างคนนี้บ้าง เรื่องคนบ้างเรื่องสัตว์บ้างเรื่องสิ่งของบ้างเรื่องเหตุการณ์ต่างๆบ้างถ้าจิตของเราเนี่ยไปหลงยินดียินร้ายไปหลงเอาเรื่องราวขนอกกับเข้ามากุ้งลุงจิตตัวเองมาทับผมจิตตัวเองเราต้องทุกข์อย่างแน่นอนจิตก็จะรู้เอาถ้าหากว่าอยากออกจากทุกข์จำเป็นจะต้องชุกตัวเองให้มีสติมีปัญญา ให้มีความให้มันรู้ความจริงเพิ่มขึ้นมากขึ้นจนภูมิด้านทาน ท, ที่สูง ข, ขึ้นเรียกว่าปัญญามันแก่กล้าขึ้นเพราะนั้นการเจริญสติตเนี่ยมันยึ่งแหลกๆกก็คุมจิตไว้ให้เป็นสมาธิมีสติสัมปชัญญะมีสมาธิแล้วตัวมาก็มีปัญญาต้องอาศัยความเพียรเพราะว่ามัน เพียรที่จะทำให้จิตเราเป็นกลางเพียรให้จิตเรามีกําลังตามมาเพื่อที่จะเห็นสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นชัดเจนอย่างแจ่จนจิตเข้าใจบางคนรู้ว่นนี้เราม่พอเขามองเ้าไงมองเข้าไปมองดูงจิตเหมือนกับว่ามีสภาวะอันที่เถือ มองลงไปสุดท้ายมีแต่ดับไปดับไปดับไปดับไปอันนี้คือปัญญาของเขากละทปัญญาเก่งกระทำจิเห็นแต่ความดับความนั้นค้จากนั้นจิตก็จะวางเบียดขาปล่อยวางลงเดือดแต่ความเป็นอกเห็ขาอปล่อยวางแล้วจิตว่าเขาก็รู้ว่าจิตว่าแต่เขาอาจจะมีความรู้ปริญญาด้วยเพราะว่าเขาสามารถ ดูความว่าแล้วก็เอาธรรมะมาสอนจิตได้ด้วยคือไม่ปล่อยจิตให้นิ่งอยู่ไีให้เฉยขณะที่ดูไปก็สอนไปยกหัว้อธรรมขึ้นมาอบรมจิตสอนจิตคนที่เรียนรู้ปริยัติถ้าห า, ากว่าจิตมีสามาธิตั้ตงมั่นขึ้นมาแนละ้สามารถเข้าใจความจริงแนละ้วความรู้ที่เขามี สามมาทิทิขั้นความเข้าใจเพราะนั้นคนที่ศึกษาคาสอนของอุตย่าจะสามารถนำธรรมะมาอบรมจิตได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าตอนที่จิตยังไม่มีสมาธิอบรมยังไงก็เหมือนคนทั่วไปเพราะว่ามันไม่เข้าถึงจิตจิตไม่รู้ไม่เห็นความจิตไม่มีราักฐานยืนยันรับรองจิตก็ไม่เข้าใจไม่ลึกซึ้งถ้าคนไหนไม่เรียนปริยัต ก็ต้องใช้ความเขียนมากหรือต้อตงอาสัยการความมากขึ้นศึกษามากขึ้นอ่านมากฟังา ม, มากหรืออยูกลคุณครูใกล้คุณครูบาอาจารย์เพื่อให้ได้ยินธรรมะเพื่อที่จะให้ธรรมะ น, นั้นน่ะเข้าไปสูงจิตเราเหมือนกับธรรมะนี่มันเป็นเหมือเป็นอาหารของจิตใจเป็นอาหารของปัญญาไปเสริมให้ถึงความรู้ความเข้าใจแ ล, ล้วเราเอามาปฏิบัติ แล้วก็แก่แจ้งคือในจิตของเราแจ้งขึ้นชัดขึ้นเรื่อยๆเรื่อยถ้ามันแจ้งมันชัดมันก็จะรู้สึกเหมือนเหมือนกันเหมือนกับว่าเออมันผ่านมาผ่านไปนะมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานะเกิดขึ้นตั้งดับไปนะมีเหตุแล้วก็เกิดขึ้นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปบางทีบางคนเห็นอย่เรื่ยแต่ว่าฟุ้ไม่ได้ท่านั่งภาวนาเมื่อยหก็เห็นแต่ฟังก็เข้าใจอยู่ ว่าเอช่ใ ช, ใช่ฟังแล้วเอราเป็นอย่างนี้จริงแต่เวลาจะเอามาพูดพูดไม่ออกไม่รู้เป็นอะไรจะยิบมันมันเห็นแต่นในจิตแต่ว่ายังไม่สามารถที่จะแปลงสภาวะที่เห็นนั้นมาเป็นคำพูดได้หรือยังหาคำพูดที่จะไปอธิบายสิ่งที่ตัวเองพบเห็นในสมาธิในขณะปฏิบัตินั้นได้ก็ไม่เป็นไร ขออย่างเดียวว่าให้เราปฏิบัติไปแล้วจิตของเราปล่อยวาไงได้มากขึ้นคือจิตเราเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันไม่ค่อยไปยินดียินร้ายแต่ไม่ได้ไหมายความว่าไม่ทาอะไรเลยอันนี้เนี่ยที่มีคนถามมากที่สุดเลยนะมาที่นี่แหละมาแกถามอยู่เรื่อยเลยแล้วไม่ยินดีไม่ยินร้ายจะอยู่ยังไงมันก็จะเหมือนคนเฉยชาไหมอะไรเงี้ยมันไม่ใช่อย่างจินไม่ยินดีไม่ยิน ถาจิตมันมีกำลังมันมีความมีประสิทธิภาพมีศักยภาพมากขึ้นกับทำงานภายนอกได้ดีบางทีงานเยอะๆเนี่ยคนที่จิตมันเข้มแข็งจิตมีกำลังมันทำได้เร็วนะคล้ายๆกับคันทำได้ต่อเรื่องมันไม่สนใจไม่มีเรื่องอะไรมาบุ่มบูมจิตะทําไปได้ดีอะไรคนธราทําไปเรื่มันต่างจากคนทัน่วไปคนทั่วไปเนี่ยพอจะทํำปั๊บเรื่องนั่งขามาเหลืองนี้ขามาคิดอะไรไม่ออก ต, ตึ้ง แต่คนที่จิตมันว่าง่ะมันไม่มีอะไระมันเป็นสมาธิระดับสมาธิเนี่ยจิตมันก็จะมีกำลังมันก็ทำอะไรต่ออะไรได้รว ด, ดเร็วแค่ข้อบอกพรอเวลาวางแผนมันก็จะคิดให้จบเลยเนี่ยอนาคตเนี่ยถ้าคนไหนคิดอนาคตแต่ว่าคิดแล้วก็คิดเรื่องนี้แล้วก็ต่อไปเรื่องนั้นไลไปไลไปอย่างนี้เร็วพูดสาม แต่ถ้าใครเอาอนาคตมาพิจารณามาคิดจับเรื่องนั้นมาเลยคิดให้จบเลยเรื่องนี้เอาเรื่องเดียวเลยคิดไปเป็นลําดับเป็นลําดับเป็นลําดับเป็นลําดับสติก็จะดีขึ้นมาสมาธิก็เกิดขึ้นด้วยสัมปชัญญะก็เกิดขึ้นด้วยจิตก็จะมีกำลังตังมนนั่นอดี้ฝึกจิตไปกับงานได้ถ้าอดีตเนี่ยมชอบมาอยู่เลยเราก็จับอดีตมาคิดให้จบเหมือ น, นกัน คืออะไรเป็นยังไงทำความเข้าใจเรื่อยถ้าใครําได้จิตก็มีกาลังเอาอดีตมาคิดให้เป็นปัิบัิเราจับมันมาคิดคิดเพื่อเอาประโยชน์จากมันเอาข้อคิดจากมันเอามาสอนจิตเราให้ได้รับบทเรียนให้ศึกษาพร้อมๆกับให้จิตเราเนี่ยเป็นการปฏิบัติทรรมด้วยอย่างนี้คุณภาพจิตมันจะเพิ่มขึ้นทันนทีเลยอยู่กับบ้าน เราก็พยายามมีสติรักษาจตไว้จะทำอะไรปั๊บถือเป็นการปฏิบัติธรรมการงานก็ได้เลยคุณภาพของจิตใจก็เกิดดีด้ลยได้ทั้งงานได้ทั้งธรรมะได้ทั้งบุญตัวเองก็ดีขึ้นแล้วเวลาเรามีสติเนี่ยเวลาอะไรมากระทบเรารู้ได้เร็ว เราปว่าได้เร็วเรานงียเงียบเราเควบคุมจิตได้ไดีปัญหาลดลงไปเยอะเลยอันนี้เป็นประโยชน์จากการที่เราปฏิบัติจิตของเราเองยิงตาว่าจิตมันตั้งมั่นขึ้นมาแล้วมันมองเห็นเห็นขันห้าทำ ง, งานเหมือนกับเครื่องจักรเครื่องยนต์เหมือนกั บ, กมกบไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา ถ้านี่ยามักมีกําลังเมื่อไหร่จะมองเห็นชัดเจนแล้วมันจะสรุปตัดสินมักจะตัดสินเองนะไม่ใช่ เ, เราตัดสินนะพอมักตัดสินปุ๊บลงไปจิตเห็นชัดแจ้งเรียกว่าจิตบรรลุมักเป็นโสดาปติมากโสดาปฏิปุ้งครั้งแรกก็คือมันจะเห็นชัดเจนเลยก็ไม่มีเราไม่มีตัวไม่ใช่ตัวตัวของเราล่าสักระยะทิ่ถี่ได้ ละความรังเลสงสัยในคำสอนของเ จ, เจ้าในการปฏิบัติของเใจได้หมดจนแล้วก็จะสัทธาเรื่อใสในเจ้าผระสมชนิดไม่หวั่นไหวเลยจะไปเคารพนําถือวิธีการอย่างอื่นนะทำให้คนทุกข์ไม่มีทางเยเพราะเห็นแล้วชัดแล้วแจ้งแล้วจึงละศีลละกับปรามาตยนี่คุณสมบัติของจิตมันจะเปลี่ยนไ ป, ปกิรตัวปายภูมได้แน่ น, ในอน เอาวันนี้ก็จะให้ลองลองทำเอ ง, มมนะงอยู่ตามภาพนะตั้งใจอยู่โดยที่ไม่มีเสียงพูดเสียงอะไรหลับเดี๋ย ว, วนี้อี้อยเวลาอยู่ประมาณ20นาทีเราจะทดลองนะ Sí. ก็ไ อยู่กับจิตรู้อยู่กับจิตรู้อยู่ที่จิตรู้ที่จิตแล้วก็ขยายความรู้สึกออกไปรับรู้ตามกการ่างกายหรือว่ารู้เวทนาหรือว่าจิต รัวอ นีจะพยายามจะพยายามปฏิบัติตามคำสอนของเราตลอดไปจนกว่าจะพ้นจากทุกในื้อตัณฑ์สามเนี่ยพยายามย้ากับตัวเองให้มีความพอใจที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะอันนี้มันเป็นทางออกจากทุกอย่างแน่นอนชีวิตของเราเนี่ยมันจะผ่านอะไรมาก็ตาม หนาหนาสาหัสสาการขณะใไหนก็ตามมันเป็นแค่บทเรียนเป็นแค่บทเรียนของฉีเพราะเรายัางไม่รู้ไม่เข้าใจความสวนของพระพุทธเจา้าเราจึงไม่รู้วิธีรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นเหตุการณ์ทั้งหลายมันจึงมีอิทธิพลต่อจิตของเราถ้าหาว่าเราปฏิบัติตามพระพุทธเจา้าเราจะรู้วิธีรับมือ การเหตุการ์หลนั่นก็คือพยายามที่จะสร้างสติเจริญสติให้มากขึ้นสติก็จะมาขวโคมจริขคอยกั้นอารมณ์ทั้งหลายไม่เข้ามาสู่จิตต้องฝึกเจญสติเรานีกำลังสะก่อนแล้วก็จะกั้นอารมณ์ทั้งหลายฝ่ายบาฝ่ายขั้วสไม่ทอนเลยจากนั้นสามารถที่จะสร้างฝ่ายสม ฝ่ายผู้เสพก็คือฝ่ายดีฝ่ายถูกต้องตามหลักความเป็นจริงเพื่อให้จิตมีปัญญาญาตเกิดขึ้นนี่คือฝ่ายผู้เสทั้งหมดเพื่อออกจากความรุ่มร้อความยึดมั่นถือมัน่นเราเกิดมาแล้วม่ทุกไม่มีต้องมีทุกแต่สำคัญว่ามีทุกข์แล้วเราแก้ปัญหาในอาคนที่มีบ ก็จะต้องมาวางตุ้มธรรมะของพระพุทธเจ้าเช่นเขาวามาวางเขาวางฟังธรรมหรือทำบุญซื้งทานให้ใจสบายซะก่อนอย่างน้อยเรามาทํากิจกรรมมาทําความดีให้จิตเราทอให้หางออกไปจากอารมณ์ที่มันผู้หงจิตไอ้ที่มันผู้หลมจิตได้เพราะจิตเราเนี่ยงจมันอยากให้สิ่งทลายเป็นอย่างที่เราต้องการอยากให้มันเทียมอยากให้มัน่งคงอยากให อยากให้อยู่เราตลอดไปมันหลงผิดแต่จริงๆแล้วมันต้องพัดพลากจากกันไปไม่วันใดก่อนเราไม่ได้เตรียมใจไว้ไม่วันนี้กับวันนัน้ถ้าใครเตรียมใจไว้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็จะไม่มีทุกข์หรือทุกข์น้อยลงไปหรือว่าเอาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแทนที่จะเป็นทุกข์กลับได้สติได้ปัญญา การปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจา้าจึงเป็นทางที่จะทําให้เราออกจากทุกข์ได้สนุปผลของการปฏิบัติสุดท้ายนะให้พอใจว่าวันนี้เราได้ปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วแต้มากน้อยน้อยไม่เป็นไรให้พอนใจว่าเราได้ปฏิบัติแค่ได้ปฏิบัติแค่ได้พวกทางของพระพุทธเจา้ามันก็ เ, เสริจแล้ว เด้วก็ดูต่อไปว่าเออการปฏิบัติวันนี้เป็นยังไงเนก็คือดูไปธรรมนานี่แหละไม่ต้องไปว่าจะต้องเป็นยังไงนี่เราองมันได้ขนาดไหนก็เอาเด่นหมเด่มากด่น้อยไม่เป็นไรดีไม่ดีไม่เป็นไรสำรวจตรวจสอบดู เอาสิ่งที่มันเกิดขึ้นฝึกจิตเราเลยตรงเลยถ้าเราฝึกได้โดยกำลังเพิ่มเป็นสองเท่าเลยเพราะมันมีแบบทดสอบอย่างนี้เลยนี้ยเราสอบผ่านเลยเนี่ยมันก็แสดงถึงความเข้มแข็งไม่มือก็นั่งขี้เอานะนฉันป่วยขึ้นมาเป็นไข้ขึ้นมาลุกไม่ได้จะเป็นยังไงนะไอ้แบบนี้คิดเอาบางที่ก็ทําได้เพราะว่ามันกําลังสบายๆอยู่ เราเอาของจริงมาดูเดี๋ยเราหน้าเราเปนเจ็บมันปวดตัวจะลองมสิ่งทินเรามีกําลังไม่หนปลดปล่อยตัวนเองเป็นอิสระได้ไหมที่รู้เตจีสอนว่าไม่ยินดีไม่ยินไลน์เราทาได้จริงนหมเอากันตรงเฉพาะหน้าเลยอ่ะเดี๋ยวมีอารมณ์อะไรพวกว่าเข้ามามันบาดไปขึ้นมาก็เอาเทอมะก่อนเนื้อาว่าเราจอยู่จุดนี้มันจะเป็นต้องโนเพราะสติปัญญาเราอย่างนั ต่อไปเราก็จะความสมทนานก็จะเพิ่มขึ้นภูฐดด า, านก็จะมาขึ้นแล้วสุดท้ายจะต้องไปถึงจุดจุดเดียวกันกับที่พระพุทธเจ้าทรงเข้าถึงแล้วคือไม่มีทุกเน่นหมเพราะทางสายนี้เป็นทางของพระพุทธเจ้าเป็นทางของความุทธเจ้าธรรมะมาสำรวจจิตใจเรียบร้อยแนละ้ว รวมจิตดูชั่งหลวงดูผลลูกการปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแต่วก็วางเอาไว้พอใจทัางความพอใจวันหลังก็เริ่มต้นใหม่อีกมันจําเป็นจะต้องไปว่าจะต้องเป็นอย่างเก่าจะต้องเป็นอย่างนี้ต้องรู้สึกอย่างนี้ไม่ต้องรับรู้แล้วก็เออต่อไปเราจะสังเกตว่ามันจะเป็นยังไงครั้งต่อไปทำไมต้องให้มันติดไปเห็นประธานติดไปเออเออมันสงบแล้วมันดีแล้วโอ้ต่อไปทันทีกว่านี้ ไอสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นมันคงไม่มาอีกแล้วความทุกข์โมหะหมดแล้วมันจะเป็นยังไงก็ชัดให้รู้อยู่ปัจจุบันนี้แหละรักษาจิตเปิกลางไว้ไม่ยินดีไม่ยินร้ายเอาสุดท้ายแล้ววางทุกสิ่งทุกอย่างลงไปถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาวางเฉยเลยทีทำเหมือนไม่มีเราในโลก สภาะวะของอนัตตาก็คือเห็นว่ากายกับใจไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราทุกสรรพสิ่์เกิดจากธรรมชาติทั้งหมดธรรมะก็คือธรรมชาติไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราเป็นเราโดยสมมุติเท่านั้นเป็นเราโดยสมสมมติก็เป็นเราเช่เฉย จากนั้นธรรมใจให้แ น, น่ย้ำปฏิฐาของเร า, เราว่าชาติใดก็าตามขอให้ได้พบพระพุทธศาสนาคือพบพระพุทธเจ้ากระธานและพระสงฆ์่หรือมีพระพุทธเจ้ากระาพระสงฆ์ว่าเป็นที่ที่เียนี่คือพบพระพุทธศาสนา มีพระพุทธเจ้าประทาวรประสว่าเป็นที่คุงพิรุณเมื่อพบแล้วขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีจิตศรัทธาเลือ่อมใสไม่เปลี่ยนแปลงแล้วขอให้ได้ฟังธรรมของพระอริยเจา้าเพื่อให้มีจิตใจมีกำลังพอใจประพฤติปฏิบัติตามคงสอนของพระ เราทำของพระพุทธเจ้าแล้วขอให้ได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ยิ่งขึ้นไปนี่ตามความควาธรรมะย้ำลงไปเพื่อให้จิตใจของเราเนี่ยมันเด้เดินตามทางของพุทธเจ้าอย่างหนักแน่อย่างมากองให้มันฝังลึกลงไปในจิตใจเราจึงต้องอาศาัยจิที่แน่วแน่เกิดชาติใดก็าตามหมายก็จากจากนี้ไป ข้าใดก็ตามขอให้ได้พบคําสอนของพระพุทธเจ้ามีพระพุทธเจ้ากระทำและประสงค์ว่าเป็นที่พึงนิยนึกเมื่อพบพระพุทธศาสนาหรือคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วขอให้พระพเจ้าเป็นผู้ที่มีความศรัทธาเรื่องใสไม่เปแบบแลี่ยนแปลงไม่เอาแล้วรัดที่อื่นเชื่อมั่นในคําสอนของพระพุทธเจ้านี้เท่านั้น ขอให้ได้ฟังธรรมะของพระอาเรชเจ้าอาจจะเป็นพระมุธเจ้าพระปเจกุตเจ้าพระหลานพระอนาคามีสกิรานามีพระชบันฑซึ่งอย่างน้อยมีธรรมะจริง <c oughs> จะสอนเราให้ถูกให้ตรงสอนปฏิบัติเพียรพยายามทางจิตเพื่อให้จิตรู้แจ้งตามสภาวธรรมแห่งวาเปกิปจเพื่อจิตรู้วิธีปล่อยวางปลดปล่อยจิตให้เป็นอิสระได้ เมื่อได้ยินไดฟังคำสอนของพระเจ้าแล้วขอให้ข้าพเจ้าได้ประขึ้นปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระผู้เป็นเจ้าให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปจนกว่าจะพ้นจากทุกแม่วัาตาสงสารเป้าหมายคือออกจากทุกเหตุการณ์ว่าชีวิตไม่มีอะไรเลยมีแต่มันจะเอาทุกข์เอาโทษเอาเวรเอาภัยเอาปัญหาเอาความเดือดร้อนมา เสแล้วก็ตายไปไม่ได้มีอะไรเป็นแก่นสารสาระเรารู้แล้วเข้าใจแล้วต่อไปนี้หาทางออกจากทุกข์ดีกว่าออกจากวัดสงสารนี้ดีกว่านี่แหละสิ่งที่พระพุทธเจ้าย้ำอยากให้ทุกคนตระหนักเข้าใจย้ำลงไปข้าพเจ้าจะจาพยายามพุ่ ง, องอปฏิบัติ ต, ตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปนจนกว่าจะพ้นจากทุกในวตาสงสารขอให้ชาว้านเป็นผู้มีสติปัญญารู้จรแจ้งแทงตลอดในอริยสัจธรรมจนพ้นจากทุกในวตาสงสารด้วยถือาแล้วจากนั้นก็รวบรวมกำลังคของเราไปที่จิตของเรานะ ตั้งความปรารถนานีซะ ก, ก่อนนะให้ยาพายให้หมดเลยนะอาภัยทานนะเพื่อหรลอร่อหลอมจิตใจของเราเนี่ยให้มันฝ่ายกุศลฝ่ายดีงามเพื่อมันมีความพร้อมที่จะปฏิบั ต, ติตามพระพุทธเจ้าทําความรู้สึกในจิตเรามีแต่ความเมตนะตาปรารถนาะก็เรียกเมตตาภาวนาทิ้งอารมณ์ทั้งหมด แล้วก็ทำความรู้สึกป่าเถนานีให้อภัยแต่ใครเคยเปียนเดืนเราทำไรเราก็คูกรมาะเราเคยทำเขามาเขาก็เอาคืนเนี่ยมันก็นเป็นธรรมดาเรายอมรับได้แต่ว่าเราพิกสถานการเปลี่ยนวิเี็ิโอกสหันมาศึกษาคำสอนของอ ง, องจ้มาปฏิบัติตามคำสอนขององคจาานี้ต่าง เป็นสิ่งกระเสริฐแล้วก็รวบรวมทั้งหมดตั้งแต่อดีตปัจจุบันเอาไว้ที่จิตของเราเตรียมอุทิศบุญขออํานาจของกุฏิเจ้าอานาจรถาอานาจพระสงฆ์จงดลบันดาลบุญของข้าเจ้าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันให้เกียญาติพ่วดาที่รักษาและนายมินของข้าพเจ้าให้เกียรติญาติพตาที่รักษาและนายมินของ สามีรรยาลูกหานพี่น้องผู้ิีก็ควรประกาศอาวัจฉาให้เกิดดวงวิญญาทั้งหลายที่สิงสถิตอยู่ในสถานที่แห่งนี้ในบริเวณนี้ดวงวิญญาต์ทงหลายที่สินสงสถิตอยู่ในบ้านหรือไปที่ทาการร้านค้าบริษัทที่นิกโรงงานโรงแรมไรนาสวนที่ติดในสมวัติประสาททุกชิ้นทุกครงอาวจะให้เกิดดวงวิญญาต์หลายที่กลังต้องการบุญจากาวัจฉะในขณะนี้ทุกชั้นทุกภู ขอท่านหลายๆม่านจริงๆแล้วขอบคคระบาพเจ้าเเถิดเมื่อเราขอบคุณแล้วตรอการสิ่งใดเมื่อส่งความปรารถนาเหนือหน้าแผ่นดนที่ข้าพเจ้าไปท่งนี้เมื่อส่งความปรารถนาแล้วไม่พบราศรุ่งรองในชีวิตของนข้าพเจ้าทาสิ่งใดไม่มีแต่ความรักนี่มีแต่ความสาเร็จมีแต่ความเจริญยิ่งยิ่งไปเลยเิดข้าพเจ้าจะมันทา ได้แล้วโลาที่มันเข้าไปเราก็ทำเต็มที่เราทำดีที่สุด